การสังเตหนังส บ, บายนะไม่ต้องกอดนมมือหนังส บ, บายเจอนะฮะกายใจของตัวของการเทศในเทศนอกไปที่อื่นเห็นอยู่ในกายในใจฝูฟังกูบกำหนดกายกําหนดใจของตัวกายใจเั็นทีรวมของดีชั่วต่างๆคนเราโดยส่วนใหญ่นักอยากมองนอก มองออกไปเท่าไรจิตใจก็ยิ่งวุ่นยิ่งหลงทางธรรมะทผ่นสอนให้น้อมมาภายในเป็นโอปนายกธรรมคือน้อมนำเข้ามาดูกายดูใจของตัวดีชั่วก็อยู่ในนี้ในจจะมีที่อื่นนรกสวรรค์นิพพานในนี้ไปจากใจใจเท่านั้นเป็นผู้ที่มีความดีความชั่ว เราดูใจของเราขณะ น, นี้ใจของเราไปคิดตรุงเรื่องอะไรเป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วอย่างไรควรแก้ไขหรือควรบำรุงนี่เป็นหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละท่านจะดูสัวของตัวเองถ้าดูอยู่ที่ใจอะไรที่มันชั่วมันเสียนควนรคิดควรปรุงควรหักควรห้ามห้ามเอาไว้อะไรที่ ทำจิตทำใจให้สงบให้เยือกเย็นให้สุกให้สบายก็พยายามรักษาเอาไว้คือการดูใจของตัวเป็นการฟังเทศเป็นการฟังทมทั้งฟังทั้งทำไปด้วยจิตเมื่อมีขอบเขตมีสติรักษามีปัญญาแนอนำในส่งออกไปข้างนอกอยู่แต่ข้างในจิตนั้น ก็จะมีความเบามีความสบาย <c oughs> เพราะโดยส่วนใหญ่จิตใจมันไหลออกไปทางนอกปรุงปรุงไปในอดีตอนาคตต่างๆติดข้องสิ่งของวัตถุที่มีอยู่นอกตัวจิตจึงชั่วจึงเศร้าหมองจิตจึงวุ่นวายขัดข้องหากเราเลิกคิด ทุกสิ่งทุกอย่างมาดูจิตดูกายของตัวทำ ต, ติดข้องสิ่งของภายนอกเลิกละกลับมาสู่กายสู่ใจของตัวแล้วพิจนารนณากายตามเรื่องให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเพื่อขอนตามยึดมั่นสำคัญหมายว่าชายว่ายิงว่าคนว่าสัตว์ต่างๆ ด้วยอุบายปัญญาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่นี่ที่เจรนาดูให้หัวถึงในเรื่องของกายว่ามีอะไรบ้างที่เราหลงหรือว่าเราว่าเขา่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่มีอยู่ในตัวของเราเขาทราบไหมว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อ เขาไม่ทราบทางนั้นแต่เราไปยึดหมายว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้ประกอบกันเข้าก็เลยเป็นคาวามหลงกายของตัวเมื่อหลงกายของตัวก็ไปหลงกายของคนอื่นถือว่อย่างนั้นถือว่าอย่างนี้สําคัญไปตามโลกสมุติก็เลยยุ่งใหญ่ ใจที่ลุ่มหลงไม่รู้เห็นตามเป็นจริงในเรื่องของตัวก็วเลยลุ่มหลงเรื่องคนอื่นสัตว์อื่นหลงไปทั่วโลกก่อควรตัวเองไปยึดไปถือไปติดไป้ล้องดันั้นการทำจิตทำใจการภาวนาการำาํำระจิเหลจึงมีการน้อมเข้ามาภายในดูกายดูใจของตัวที่ารนาอยู่นี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเราหากจิตไม่ยึดไม่ถือหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรในใจของเรารู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นนั่นก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจหัดข้อเสื่อมหมืดมนอนทการจึงเป็นการํำระจิตใจในตัวให้รู้เห็นประจัดชัดเจนในเรื่องของกาย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 พิจารณาตามธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจตามเป็นจริงมันสกรปรกกว่าเห็นว่าเป็นสกรปรกมันไม่เสี่ยงกว่าเห็นว่ามันไม่เสี่ยงมันเป็นทุกข์กว่าเห็นเป็นทุกข์ในจิตในใจจริงจังใจเมื่อเห็นอย่างนั้นจะปล่อยวางไม่ยึดถือเบื่อหน่ายตายกําหนัดใจจะเบาใจจะสบายความนึกคิด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 กำหนดเรื่องของใจเราปล่อยปะละทิ้งอารมณ์ต่างๆเขาคิดไปปรุงไปก็ไม่ได้อะไรดิบดีมาให้นอกจากใจวุ่นวายเสารหมองติดข้องต่างๆเมื่อเรากำหนดใจของเราทิจารณาใจของเราปล่อยวางละทิ้งสิ่งต่างๆภายนอกใจจะมีความ สว่างสบายใจจะมีความเบาสบายแล้วพี่เจนะอยู่แต่กายแต่ใจของตัวเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในกายในใจเท่านั้นจะเป็นสอนอะไรก็สอนเข้ามาภายในไม่ได้ส่งออกไปภายนอกฟังเราก็ฟังเข้ามาหาใจของเราไม่ต้องส่งออกไปฮะผู้สแสดงทำว่าท่านจ ะ, สะแสดงเหตุผลอะไรให้เราฟัง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 เคยเห็นเคยได้ยินมาก่อนมาเป็นอารมณ์ของใจเดี๋ยวใข่คิตติดข้องทางดีทางชั่วต่างๆละถอนไม่ขึ้นเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาจิตใจจึงลุ่มหลงเศร้าหมองเดือดร้อนหากเราทุกคนที่นี้พิจารณาอยู่ในนี้พัก ท, ทิ้งออกไปอารมณ์ของใจต่างๆ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 ก็ไม่สามารถที่จะขับไล่ความชั่วเสียต่างๆออกไปจากใจได้่ันจึงสอนให้ฝึกหัดปฏิบัติเรื่องของใจเรียกว่าภาวนาการภาวนาทุกคนเคยฝึกอบรมมาพอสมควรแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดวิมิตจิตยังติดยังคล้องยังเศรายังมองก็ให มันฝึกเรื่อยไปอย่าไปถือว่าอันนี้เราเคยคิดเคยนึกเคยฝึกอบรมมาจะฝึกอันใหม่ไม่เป็นอย่างนั้นความจริงจิตมันหลงของเก่าธรรมะของพุทใช้เจ้าก็สอนของเก่าไม่มีข้องใหม่อะไรในโลกหากที่นี้พิจารณาดูแล้วลูกเราไม่เกิดมันก็ยังมีอยู่อย่างนี้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 มีพลังอย่างได้อย่างหมาเหมือนกันแต่ละเส้นไม่ค่อยเหนียวแต่เมื่อปั่นเป็นเกลียวเข้าสามารถที่จะผูกวัวผูกควายผูกช้างอยู่ได้าาหาย่ใหญ่ๆรวมกันเข้าฉันใดจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันที่มันไม่รวมนั่นแหละมันไม่มีกำลังที่จะกําจัดป่าเต่าที่เหลือปัญหาจึง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 เฉพาะตัวความเป็นความเห็นของตัวนั้นแหละจะทำให้ตัวเองเชื่อว่าการปฏิบัติทำการปฏิบัติใจมีความสุขความสบายเลือดรหเสร็ยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะเราเคยผ่านมาความสุขทางหูทางตาทางจามูกทางลิ้นทางสัมผัส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 สำหรับคนที่ไม่มีความสุขของธรรมควรมีความสุขของธรรมบำเพ็ญภาวนาจิตใจของตัวรวมลงสู่เอกัขจตาและถอนความยึดถือต่างๆทั่วไปไม่ว่าสิ่งภายนอกไม่ว่ากายของตัวเองไม่ปรากฏว่านั่งว่ายืน่าอยู่สถานที่ใดไม่ปรากฏอะไรนอกจาก ความเป็นหนึ่งท้องใจแล้วความเบาความสบายมันเบามากสบายมากสุขมากสุขผิดปกติธรรมดาที่เราเคยผ่านมาจากตายจากหนูจากสิ่งภายนอกฉะนั้นเมื่อเห็นเมื่อเป็นจากการกระทำของตนจึงเชื่อเหลื่อมใสยินดีเต็มใจอยากกระทำอยู่บ่อยๆอยอยากจะให้จิตเป็นอย่างนั้น เพราะทาจิตเป็นอย่างนั้นไม่ถอนออกมาวันเวลาไม่มีคือไม่เลยขาดหมายวันเวลาว่าช้าบาเรวขนาดไหน้าใจอยู่อย่างนั้นจะนั่งอยู่กี่วันกี่คืนก็อยู่ได้เพราะมันเบามันสบายมันไม่ยึดไม่ถืออะไรความเป็นในจิตในใจของตัวอย่างนั้นจึงเชื่อมั่นกว่าการปฏิบัติ ด้านธรรมะมีความสุขประเสริฐขนาดนี้ดีเด่นกว่าสิ่งทั่วไปจึงเต็มใจหากเทียนพยายามแต่ทำบำเพ็ญอยากเห็นอยากรู้ถ้าหากเป็นอยู่อย่างนี้เสมอไปแล้วมันจะมีความสุขความสบายขนาดไหนนี่เพียงขั้นสมาธิคือจิตรวมกดถึงจิตถึงใจผู้บวชเพื่อปฏิบัติ อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะทำเกิดศรัทธาเชื่อมัน่นมีความเชียอฝ้าแข็งอยากจะทำบ่มเพนเรื่อยไปเมือ่อมีความอยากมีความเชียนอยู่ในใจสติ <c oughs> ก็จะต้องมีคุ้มครองรักษาจิตใจที่เราเป็นแบบนั้นมันเป็นขึ้นมาจากอะไรทำไมมันถึงเป็นไปได้ เดี๋ยวนี้จิตใจเกียวข้องนึกคิดเรื่องอะไรจิตใจจึงไม่เป็นอย่างนั้นจะต้องพินิตพิจารณาด้วยปัญญาหาอุบายแน้สอนตัวฝึกอบรมหาคเทียนพยายามเรื่อยๆไปแล้วกว่าจะลงจะรวมให้รู้เห็นเด่นประจับแต่จิตรวมมีการถอดถอนเหมือนกันกับเรานอนเหมือนมีเวลาตื่น แต่นอนไม่มีสตินอนหลับสนิทขนาดไหนแบบมีความสุข ก, กว่ความสุขขนาดสัตว์สัตว์มันก็นอนได้แต่จิตใจรวมนี้มีสติมีความสุขจิตแปลกแตกต่างกับเรานอนหลับแต่ก็มีเวลาถอดถอนขึ้นมาเมื่อถอดถอนขึ้นมาทีนี้พิจารณาสะดวกสบายจิตใจแก่มใส มีความสุขอยู่ภายในจิตใจเย็นสบายมองเห็นอะไรภายนอกก็เยือกเย็นไปหมดไม่มีข้าศึกศัตรูอะไรพอใจเราเย็นใจเราสบายพิจารณาอะไรก็ง่ายสะดวกเหมือ น, นร่างกายของเราสบายเดินเหิือนไปสถานที่ใดทำอะไรก็พอทำได้สิ่งที่ไม่เหลือวิสัย นี่จิตใจที่มีความสงบมีความลงรวมมีกำลังภายในก่าทํานองเดียวกันดังนั้นควรทุกท่านจะฝึกอบรมตัวเพราะเรื่องของจิตมีทุกคนกายมีทุกคนจิเลสมีทุกคนธรรมะมีทุกคนจึ่งเป็นเครื่องสำรักไม่ใช่ว่ามีแต่พระพุทธเจ้าหรือมีแต่พระแต่เนนเท่านั้นความจริงพวกเราท่าน มันมีเหมือนกันหมดชาเนนก็ออกมาจากคาราวาไม่ใช่ออกมาจากที่อื่นเกิดขึ้นมาจากคาราวาเจ้าก่อดจึงจะมาเป็นชาเนนได้คาราวาตก็มีอัธรรมไม่มีอะไรจิตแปกแตกต่างกันจิดแต่เพศเท่านั้นสมมติเท่านั้นกว่าเป็นชาเป็นเนนเพราอชาเนนไม่มีการงานด้านอื่น บวชมากว่าตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษากายใจของตัวมีโอกาสเวลาที่จะปฏิบัติได้มากฝ่าการเป็นฆราวาสพอเป็นฆราวาสมีการงานหนักหนาหลายอย่างนอกจากฆราวาสที่ปล่อยทิ้งทั้งโลกเขามาอาศัยอัดทำจริงจังถึงจะมีโอกาสเวลา พอจะพิจรารณาได้สม่อมเสมอไปดังนั้นเขตของสะของเนนท่านจึงว่าเขตประเสริฐเพราะเขตนี้ไม่มีการก่อเกี่ยวเรื่องของโลกนุมม่งห่มหรือขบฉันพักอาศัยไปเป็นวันวันไม่ได้มีความมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้นุ่งห่ ม, หม จะถือว่าสวยหวา ง, งามเกืออวดชาโลกก็ผิดทางศีลของท่านการกบฉันก่อประทังชีวิตไปเป็นวันวันในต้องการรถขาบอร็ดอร่อยอะไรสายใจไปจิตข้องในรถก็เป็นเรื่องผิดขันระวังรักษาจิตของท่านอยู่ทุกระยะทุกเวลามีโอกาสภาวนาได้มาก เพราะไม่มีการงานหยุ่มเหยิงเศรษฐกิจพระข้องเนนเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมะเป็นอันเดียวกันไม่ว่าพระว่าเนนไม่ว่าพระว่าหญิงชายพิเดียตัวเดียวกันตันหาตัวเดียวกันถ้าไม่สําราสาสางถึงจะบวชมาเป็นพระเป็นเนนอยู่ 40, กี่พันษากี่เดือนกี่ปีทําดีกว่าไม่เกิดขึ้น แต่นั้นการปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นการชำระสาสางจิตใจของตัวการชำระสาสางจิตใจเป็นทางที่จะนําความสุขมาให้แก่ตัวเองอันจริงหรือจิตเป็นเรื่องที่ฝึกได้จิตตัง้งชั้นตั้งสุขาวังหังจิตฝึกดีแล้วนําสุขมาให้สุขอย่างไร เราที่ไม่เคยเห็นเคยเป็นเคยฝึกก็ไม่ทราบเหมือนอาหารที่เราไม่เคยรับทานว่ามันรสชาติเป็นอย่างไรก็มีแต่ซุ้มดาเอาว่ามันจะมีรสอย่างนั้นรสอย่างนี้แต่ความจริงมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เราไม่พอใจเพราะเราไม่เคยรับทานขบขันอาหารส่วนนั้นฉะนั้น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 เป็นความสุขล้าค่า เ, เป็นความสุขที่ดีเด่นเป็นความสุขที um. this, ่ประเสริฐความสุขที่เป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีมีเข้าของเป็นอย่างไรเรเคยผ่านมาเพราะฉะนั้นเคยเป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีนี่หมายถึงปู่ที่เป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีผู้ที่ไม่เป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีก็เหมือนกันเมื่อไปพบประสบเข้าจะพอใจในความสุข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 ปุงปุงต่างๆดีได้ชั่วได้ตามอารมณ์สัญญาที่มาเกี่ยวข้องจิตใจของตัวจิต ด, ดูความดีที่เราเคยทําเรามีความดีใจเกิดเพลินในความดีที่เราเคยเป็นเคยเห็นเคยรู้ความชั่ว อารมณ์ต่างๆที่เขาเคยด่าเคยว่าเคยขาดเคยตีเราต่างๆเราคิดไปทั้งสิ่งเหล่านั้นผ่านไปเป็นเวลาระยะหลายเดือนหลายปีจิตใจของเราก็ยังเศร้าหมองเดือดร้อนคุณเรื่องต่างๆมีอารมณ์เป็นของสําคัญที่มากเกี่ยวข้องกับใจแต่นั้นผู้ที่มีสติมีธรรมทันจึงปั่น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 เจ้าสาวโลมาอะไรได้ทางนั้นอันนี้จังทุกครั้งอนัตตามไม่ผิดเพราะจะให้จิตของเราได้รับความรู้ความฉลาดลงรวมเบาสบายละขอนกิเลสตัณหาเป็นอันถูกไม่มีผิดถ้าหากจิตเป็นอย่างนั้นจะภาวนาอะไรได้ทางนั้นข้อสําคัญให้จิตละถอนให้จิตรู้ให้จิตเห็นให้จิต รวมเป็นอันถูกต้องเพราะคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ผูกขาดเลตรงทิจาจรณาอันนี้ต้องบริกรรมอันนี้บริกรรมอันอื่นหรือภาวนาอันอื่นผิดพระพุทธเจ้าเลยต่าวไว้ไม่ได้ผูกขาดอย่างนั้นบางท่านบางคนข็ชอบบริกรรมพุทโทฟุทโทําจิตของตนให้อยู่ในพุทโท ไม่ฟุ่มเฟงจิตนึกออกไปเรื่องนอกให้สัมผัสอยู่กับคำบริกรรมของตนจิตก็ลงรวมได้บางคนก็ชอบเจสาเจสาอยู่นั้นมันก็ถูกของคนนั้นเพราะคนนั้นจิตใจลงรวมได้ถ้าลงรวมไม่ได้จะแบกคำภีทั้งคำภียกถ้าใจปีดกทั้งหมด มาบริกรรมนัม่นก็ไม่ถูกมันถูกจี่รวมรวมมันถูกทีตได้รับความเบาความสบายถูกที่ละจิตถอนจิตใจไม่ยึดติดในสิ่งต่างๆรู้เห็นเด่นไปจับในตัวเองนี่เป็นอันถูกดะนั้นเราทุกคน จึงเป็นก่อนของธรรมะเพราะโดยกันทางนั้นเพราะมีกายมีใจพอพิจารณาได้เพราะผู้ใช้เจ้าก่อนกาหนดลมหายใจก่อนอื่นที่จะตัดสูรไม่ได้ไปหาดูท่องฟ้าอากาศที่ไหนกําหนดลมหายใจของท่านเท่านั้นท่านก็รลกรวมได้นอกกนั้นองค์อื่ น, นก็มีที่กําหนดจิตแปลแตกต่างกันไปแตนั้นทุกอย่าง ยังสมบูรณ์อยู่ในตัวของพวกเราท่านไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องขอให้ลงมือประพฤติปฏิบัติเพราะกิเลสมีอยู่ในตัวการชาระกิเลสก็ จ, จะชาระกิเลสออกจากตัวของเราออกจากกายจากใจของเรากิเลสหมดเป็นอย่างไรเราจะทราบได้เหมือนกันกันกบเราหิวมานานความอิ่มเป็นอย่างไรเมื่อเราทาน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 เคยศึกษาแต่ก็พร้อมอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งตอนนี้ยังพร้อมอยู่เคยศึกษาธรรมะธรรมโมมาทุกสิ่งทุกอย่างในหลักธรรมพูดที่เคยศึกษาศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตเคยศึกษ า, กษ า, กษามาท้งนั้นจำได้พูดได้แต่ใจเป็นอย่างไร ใจก็ยังมีกิเลสตัณหามาหนะทิฏฐิอย่างเดิมไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกับที่ยังไม่ได้ศึกษานี่คือไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นจริงในตัวถ้าหาเป็นจริงในตัวไม่ต้องไปเรียนไปศึกษาภายนอกดูภายในมันเป็นอย่างไรเข้าใจธรรมะมันอยู่ภายในกิเลสมันอยู่ภายในไม่ได้อยู่ภายนอก ดนั้นการพิจารณากายใจของตัวจึงเป็นเป้าหมายสําคัญที่จะชาระจิตชาระใจของตัวละชั่วบําเพ็ญดีรู้เห็นเด่นขึ้นจากการที่นี้พิจารณาการกระ ท, ทําบําเพ็ญในเสวามารถผลนิพพานอยู่สถานที่ใดอยู่ที่ใจของบุคคลแต่เหตุใด เรามีใจซึ่งไม่รู้ไม่เห็นเพราะเราหายังไม่เจอพิจารณายังไม่ถึงเหมือนกันกันกบมะ้าวต้นไม้แก่เราไปลูกทำแต่เหียกกบกต่กัะพี่มันไม่เห็นแก่มันนีการพิจิตพิจารณาอาจทำไปติดตำราเสียไปติดเรื่องอื่นเสียแต่ตัวจริงของธรรม เราก็เลยไม่เห็นเพราะยังไม่พิจรารณาถึงแก่นของธรรมธรรมมันอยู่ในอยู่ในใจของเรานี่แหละหากพิจพิจารณาถูกเรื่องของธรรมแล้วธรรมนั่นแหละจะคุ้มครองรักษาให้เรามีความสุขความสบายอยู่ตลอดเวลาถึงร่างกายจะแตกหักผุพังไปอย่างไรใจนั้นก็จะมีความสุขความสบายไม่เปลี่ยนไปตามร่างกายภายนอก ท่านจึงไม่มีการบานไหวไม่มีการเอียงเอียงไปตามเรื่องของวัตถุเพราะท่านพิจรารณารอบทั่วสิ่งที่สุกเหนือวัตถุมีอยู่ในตัวเข้าใจเรื่องเหล่านี้จะต้องปฏิบัติด้วยตัวเองถึงจะรู้จะเห็นไม่ใช่ว่าฟังแล้วจะเป็นขึ้นเห็นขึ้น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 เพราะลมมั น, มนในใจที่เลนมันเป็นเรื่องของธรรมบริกรรมหรือกำหนดอยู่อย่างนั้นใจมันก็ลงได้ร่วมได้จะเห็นจะเป็นจากตัวเองมีการสร้างส่อเผื่อจะนำไปไปรื่อตืชปฏิบัติกาจัดความลุ่มหลงของใจใหายใจได้รับความสุขความสงบภายใน ความสุขความสงบเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปใว่าคไททั้งหมดต้องการแต่เขาเองยังไม่เห็นความสุขความสงบเขาจึงวิ่งวุ่นหาอันนั้นหาอันนี้เพื่อจะนำมาบรุงใจให้รับความสุขความสบายแต่ได้อะไรมากว่าผิดหวังเพราะสิ่งนั้นนั้น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 เมื่อท่านเห็นท่านเป็นอย่างนั้นจึงหมดอยากไม่มีปัญหาอะไรภายในใจเราหมดอยากมันเบามันสบายขนาดไหนเพียงแต่ของอยากอยากเพียงเรื่องของกายถ้ามันอยากมันหิวมันเป็นอย่างไรเราก็ทราบได้ว่ามันไม่สบายหม่ว่าอยากนอนอยากอาหารอยากอะไรมันเกิดอยากขึ้นมันไม่สบายถ้ามันอีม่มันพอ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 ทูของทำเป็นอย่างไรควรจะระจากในใจของตัวเองไม่ต้องสงสัยการอธิบายธรรมะผมเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาเพรที่สิเรียงแค่นี้